เมื่อผู้เขียนทั น, น่าสลดบ่นอ้อมแอมว่าแม่เจ้าจะเสียพระไทยนอนพระไทยทรงอุตส่าห์สร้างกุฏิถวายท่านก็ยิ้มอย่างปลอบใจบอกว่าอยู่ข้างนอกก็แผ่เมตตาให้อยู่แล้วแผ่ทุกวันให้ทุกองในนั้นหลวงปู่คงหมายความถึงไม่เฉพาะจะแผ่เมตตาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินนาฏแล้ว อย่างแผ่เมตตาถวายทุกองค์ในนั้นด้วยได้หลวงปู่ท่านก็เสริมด้วยใบหน้าที่เกลื่อนด้วยรอยยิ้มอย่างเมตตาเสียงของท่านแผ่วเบาต า, ามปกติแต่กฟังชัดแสนชัดว่าในนั้นมีเทวดามากนอกมากแน่นไปหมดหลวงปู่แผ่เมตตาถวายในฐานะทรงเป็นพ่อเจ้าหลวงแม่เจ้าหลวงที่ทรงเป็นยอดคนแห่งแผ่นดิน และทรงเป็นป่นปักรักษาแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามพระองค์จริงๆของพ่อเจ้าหลวงและแม่เจ้าหลวงท่านก็ดูเหมือนจะไม่รู้จักดังกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไปทรงกราบใรมรดการท่านพร้อมกับหลวงปู่ขาวนาวรถมกองเพนดังที่ได้เล่ามาแล้วสำหรับเรื่องที่หลวงปู่ได้เห็นสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมบราชินีนาถและไม่ทราบว่า ท่านคือแม่เจ้าหลวงที่ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณทวายอุปการะหนึ่งเนืองก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของพระป่ากันจริงๆต่อมาจำได้ว่าเป็นเกืนวันที่29เมษายนพุทธศักราช2523สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในการสวดพระพิธรรม ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระิธีทำโฉวให้เป็นการบําเพ็ุชนถวารพระคณาจารย์ที่มรณภาพุซึ่บปฏิเหตเครื่องบินตกนวัดพระศีมหาธาตุเมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่ได้มาในงานนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เสด็จจากพระเก้าอี้ที่กําลังประทับอยู่ไปจงกราบนมกุการด้วยความเคารพ ประทับบนลาพระบาททรงหมอบกลาดและทรงประนมพระหัตตลอดเวลาที่มีพระชะกาแสรับสั่งกับหลวงปู่ผู้เขียนนั่งอยู่ีกด้านหนึ่งใจไม่ดีด้วยเกรงว่าจะไม่ทรงทราบว่าหลวงปู่เป็นอมัมพาตพูดไม่ค่อยได้ท่านผู้หญิงเก ล, ลงสนิดวงจึงสั่งให้ผู้เขียนใปเฝ้าและกลาบบังคมทูลความไม่ทรงทราบพระดูท่าน ส่วนพระยัยมีพระราชกระแสตลอดเวลาสมเด็จทรงพระสวนรับสั่งว่าไม่น่าหลวงปู่ให้พูดเลยเลยท่านได้แต่มองนิ่งอยู่กราบบังคมทูลว่านั่นท่านกำลังแผ่เมตตาถวายเพคะปกติหลงปู่จะแผ่เมตตาให้เวลาคนมากราบที่ท่านมองนิ่งอยู่นั้นท่านกาลังถวายพระพรสมเด็จทรงพรยักพระพัก อย่างเข้าวพระไทยเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับไปที่พระเก้าอี้เมื่อทรงทําหน้าที่องค์ประธานพิธีต่อไปก็ไม่ตรงลืมที่จะมีราชากัลแสให้ผู้เขียนอย่าลืมจัดน้ําถวายหลวงปู่ให้ดีทรงกลาบอีกครั้งหนึ่งจึงเสด็จกลับไปจทับที่พระเก้าอี้อีกด้านหนึ่งอยู่ทางนี้หลวงปู่ให้มาถามผู้เขียนเบาๆว่าใครผู้เขียน อย่างตั้งตัวไม่ติดดื่อไม่คิดว่าหลวงปู่จะไม่รู้จักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถเึงกราบเรียนถามว่าหลวงปู่ทามถึงนใครท่านว่าที่มาเมื่อกี้นี้นะเป็นงามนะจึงรีบเปลี่ยนท่านว่าสมเด็จเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมบราชินีนาถกราบเรียนไปแล้วหลวงปู่ก็ยังทำหน้าง ง, งคิดว่าเสียงเราคงไม่ชัด จึงเรียนจำไปอีกแต่สีหน้า ง, งงของท่านก็ยังไม่ดีขึ้นท่านเจ้ากุลเทพเมธาจารแห่งวัดโพธิสมพรอุดรธานีนั่งอยู่ใกล้ๆีึงต้องบอกหลวงปู่เสียงดังเนียพระพเจ้าแผ่นดินนั่นแล้วสีหน้าโขนปู่จึงบอกความกระจา่างเข้าใจอย่างทองแท้ยินแล้วชมจำเพิ่นงามนอเสียแรง เราเคยปูมิใจว่าใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องตลอดมาแต่คราวนี้ต้องนิดขันตัวเองที่ทำให้ไม่เป็นที่เข้าใจแก่หลวงปู่เลยภายหลังมีโอกาสได้เฝ้าเบื้องพระยุคลบาทชงทนิกสา บ, บังคมทุนซึ่งทั้งหมดรวมทั้งที่หลวงปู่ชมพระโฉมเพ่นงามนอกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินนาฏแย้มพระสวนเมื่อทรงรำลึก ถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นรับสั่งว่าคืนนั้นไม่ทราบว่าหลวงปู่ท่านพูดเมื่อใครได้แต่นั้นแหละกราบอริยเจ้าอย่างหลวงปู่แล้วชื่นใจตอนที่ส9พระธาตุมาปรากฏกับรูปหลวงปู่วันหนึ่งในเดือนมกราคมปี2535กํหารลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเขียนประวัติให้สมบูรณ์อยู่นั้นมีศิษย์คนหนึ่งคนหลวงปู่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเธอเป็นศิษย์ผู้หนึ่งซึ่งขรรักศรัทธาหลวงปู่อย่างสูงสุดเระอหว่างเจ็บนอนใส่เปลือกอยู่ในห้องพักผู้ป่วยก็มีรูปหลวงปู่ไว้จ่า บ, บูชาโดยตลอดมีทั้งรูปหล่อเหมือนในท่ายืนรูปหล่อเหมือนต่ท่านั่งและรูปภาพถ่ายวันนั้นเธอเดียรูปหล่อเหมือน ถ้ายืนขึ้นมาทำความสะอาดมีห่ อ, อ ก, กระดาษ เ, าเก่าๆวางอยู่ใต้ฐานรูปเธอจึงแก่ออกมาดูเห็นเป็นพระธาตุจำนวนหลายสิบองค์เธอก็โทรศับท์จะล่ำจะักมาเล่าให้้เขียนฟังเธอยืนยันอย่างแน่นแฟ้นว่าไม่มีทางที่จะมีใครนำห่อพระธาตนั้นไปซุกไว้ใต้ฐานรูปล่อเหมือนพระฐานนั้นโปรงโ่งกลวงและเมื่อวันที่อันเชิญมา แล้วก็จัดทาความสะอาดแล้วด้วยความเคารพแนุถนอมอย่างที่สุดลิกดูให้สะอาดเฉี่ยมทุกแงม่มุมแทบไม่มีฝุ่นละอองชิ้นใดจะผ่านสายตาไปได้ห่อกระดาษบรรจุพระทา t นั้นไม่มีแน่ที่ใต้ถารูปหลอเหมือนนั้นแล้ววันนี้มีพระทา t วางอยู่ใต้ฐารูปหล่อเหมือนขนปูดได้อย่างไรขอพี่ช่วยไปดูด้วยเถอะว่าผู้เขียน ยังไม่ทันมีเวลาว่างไปดูต่อมาอีกสองถึงสามวันเธอก็โทรศัพท์มาใหม่ก็จะข้องผู้ป่วย น, นั่นแหละเล่าอย่างตื่นเต้นว่าเพราะธาตุเหล่านั้นเธอได้เก็บใส่พระโอเบชาไว้อย่างที่พี่แนะแต่ระหว่างนี้ก็อดไม่ได้ที่จะนำมาให้เพื่อนที่มาเยี่ยมสองคนซึ่งรู้ว่ารู้จักหลวงปู่และเคารพท่านไห้ดูกันเป็นขวัาตาวันนั้นดูคนแล้ว ก็เก็บกรับแต่โปะเรียบร้อยแล้วหยิบรูปภาพหลวงปู่มาดูอย่างชื่นชมอีกวาระหนึ่งตลาดที่รูปภาพโพสการหลวงปู่แผ่นนั้นซึ่งผวังลงกลับมองเฉ่งแฉงแต่ประมาตรงดวงตาทั้งสองของท่านมองประชัดก็เห็นเป็นพระทาตสององค์อยู่ณที่ดวงตาของท่านทั้างละองเถระเพื่อนเอะโวยวายขึ้นด้วยความปิติครั้น พิจารณาต่อไปก็ เ, เห็นพระธาตุองค์ที่สามอยู่ตรงดีวอนและมีองค์ที่สี่ตกอยู่ใกล้ๆอีกทั้งสามคนช่วยกันยืนยันกับผู้เขียนว่าน่าอัศจรรย์จริงๆแต่ถ้าจะคิดว่าจัดเก็บพระธาตุไม่เรียบร้อยทำให้ตกหล่นอยู่นอกพระอบก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระธาตุหลงเหลือไปปรากฏบนบรูปภาพปศสั์ซึ่งอยู่อีกแห่งหนึ่ง และหยุดรูปภาพโอสกาส์มาวางภายหลังจากติดปบแล้วประทาดนั่นแน่ละแต่ว่าประทาดของใครของท่านองคไหนผลสุดท้ายผู้เขียนทนขยันขยอยไม่ได้ก็ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งไหนว่าเพื่ะได้กราดชมประทาดปฏิหารทั้งสองครั้งนั้นด้วยเธอหน้าชื่นอย่างดีใจ เสนามพระาธาตุมาให้ที่ได้กราบได้แยกเป็นทั้งพระาธาตุรุ่นแรกหลายสิบองค์และอีกสี่องค์ที่ปรากฏภายหลังบนรูปภาพโปสการ์ดหลูงปู่ ด, ด้วยเธอแล้วว่าได้เห็นเส้นเกศามาด้วยสามสี่เส้นอย่างไรก็ดีพอเปิดประอบพระาธาตุชุดสี่องค์เธอก็อุทานเสียงดังตายเส้นเกศาหายไปไหนหมดแล้วผู้เขียน ฟังเรืเส้นเกษาอย่างไม่สนใจมากนักเพราะกำลังพิจารณาดูพระาะธาตุทั้งหมดนั้นมากกว่าพระาะธาตุนั่นแน่ละแต่ว่าพระาะธาตุของใครของท่านองค์ไหนผู้เขียนก็ไม่ได้มีความรู้พิเศษเสียด้วยตายที่เส้นเกษาหายไปหมดเลยค่ะเธอบ่นจำด้วยน้ำเสียงเหมือนจะร้องไห้วันก่อนนั้นก็ยังอยู่หนูโทรไปบอกพี่ครั้งสุดท้าย แล้วก็ไม่ได้ให้กระดูกเลยทำไมท่านหายไปคะผู้เขียนก็ได้แต่ตอบใจเธอว่าไม่เป็นไรถึงไม่มีเส้นเจรสาปฏิหารแต่หนูก็มีเพรวะถ้าปฏิหารแล้วควรจะพอใจภูมิใจการภาวนาของตัวเองมากกว่าเธอก็ยังไม่เลือกเสียใจเสียดายเห็นเธอยกรูปหลวงปู่ขึ้นกราดบนดนหนังว่าหลวงปู่เจ้าขา ลูกขอให้พี่เขามาดูพระธาตุปราบพระธาตุกับเส้นเกษาแต่เวลานี้เส้นเกษาหายไปเจ้าค่ะหลวง ป, ปู่ช่วยพี่เขาให้ปราบบูชาเส้นเกษาเป็นมงคลหน่อยสิเจ้าค่ะเสียงเธอแสดงความเสียใจผิดหวังแต่ก็คาดคอยอย่างเสียด้วยความหวังนายเจ้าค้าหลวงปู่ขอเส้นเกษาเจ้าค่ะประหลาดจริงๆ ผู้เขียนเองกคดร้องออกมาเบาๆไม่ได้เมื่อมองเห็นเส้นเกษาทั้งสีขาวและดำราวเจ็ดถึงแปดเส้นผุดขึ้นในโอคแกแ้วที่ใส่ ภ, ภาพอย่างน้าอาศัศจรร์เธอน้ำตาคอเป็นเบ้าผู้สำสักแต่ว่าพี่หนูไม่ได้ร้องไห้นะแต่หนูปิติปิติเหลือกเกินเราทั้งสองคนต่างมองเส้นเกษาที่ผุดขึ้นมาใหม่ นิ่งอยู่อย่างอาศัศการใจแล้วเราก็หมอบกราบลงพร้อมกันอย่างไม่ได้นับหมายเพระาะธาตุนั้นแน่ละในเส้นเกศาก็แน่อีกจริงๆที่สงสัยว่าเป็นพระธาตุของท่านองค์ใดเส้นเกศาขนปู่ท่านไหนนั่นเห็นจำไม่น่าต้องพูดกันอีกแล้วผู้เขียนเลยคิดว่าจะกราบไปขายลูกนำพระพระธาตุทั้งหมดจะภาพเส้นเกศา ที่มาปรากฏครั้งใหม่ต่อหน้าเราสองคนมารวมลงพิมพ์ในหนังสือประวัติฉบับพิมพ์ครั้งใหม่นี้ด้วยเพราะคิดว่าอย่างไรอย่างไรก็คงจะต้องถ่ายภาพเส่นเกจาของท่านที่เริ่มรุดตัวจะเป็นพระาธาตุมาอีกครั้งหนึ่งเพราะภาพที่ลงในการพิมพ์ครั้งแรกนั้นบันนี้ของจริงได้แปลสภาพมากขึ้นกว่าเก่าอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดีเมื่อเรากลับไปเพื่อถ่ายภาพพระธาทุที่ห้องคนเจ็บในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งระหว่างเปิดพระอบพระธาตุสีองค์และเส้นเจกสรออกและจัดวางให้เข้าที่เพื่อช่างภาพได้เก็บภาพอย่างชัดชัดนั้นก็พลันเป็นพระธาตุแก้วใสปรากฏขึ้นอีกองค์หนึ่งทุกคนยังไม่ทันหายตื่นเต้นดีอ้าวขุดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแล้วคิดน้ำตาลอ่อน เป็นองค์ที่หกความจริงเราไม่ได้สงสัยกันแล้วหากก็อดชอบคิดทําไมกันไม่ได้แต่ครั้งนี้ครั้งนี้นอกจากเลิกสงสัยแล้วควรจะเลิกคิดด้วยเช่นกันเพราะจําได้ว่าเคยกราบเรียนถามนุกูหลุยในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจทํานองนี้ทําไมเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านมองดูผู้เขียนอย่างเมตตาเรื่งอย่างนี้ เป็นอจินไตยไม่ควรคิดเขียนถามท่านว่าอาจินไตยแปลว่าอย่างไรท่านตอบเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดควยสงสัยคิดไปจะเป็นบ้าแล้วท่านก็เสริมด้วยน่ายิ้มยิ้มมองดูผู้เขียนอย่างเวทนาในความแสนจะไม่เดียงสาเรื่องของพระอรหันต์อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเป็นอจินไตย ตอนที่40พระเทวานำปิยเถระชีวประวัติและปฏิปทาของพระกุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมโมได้ดำเนินมาแต่เมื่อเริ่มกำเนิดวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444จนกระทั่งวันสุดท้ายคือวันที่8มกราคม2538ได้ดำเนินมา เป็นนิ่งขวัญของประเทศเป็นที่พึ่งทางจิตใจแห่งดวงศิ์แห่งบรรพชิตและคารวาสและประชาชนทั่วไปอีกนานเท่า น, านั้นเมื่อยามดํารงชนที่อยู่องค์ท่านเจ้าของประวัติเองไม่ได้สนใจกับอดีต ท, ที่ผ่านมาแล้วของท่านไม่ได้สนใจกับอนาคตที่จะเป็นไปซึ่งหากเป็นปุถุชนคนธรรมดาย่อมไ ข, ขว่คว้าปรารถนาหาเกียรติยศ ชื่อเสียงทรัพย์สรินพานแม้กระทั่งปารธนาแดนคนทุกข์ท่านก็ไม่ได้สนใจแล้วท่านไม่ได้สนใจแม้แต่ปัจจุบันซึ่งก็อีกนั่นแหละหากเป็นบุคคลธรรมดาย่อมเร่งประกอบการงานเร่งหาเลี้ยงชีพหาชื่อเสียงยศะักเป็นนักบวชก็เร่งทําความเพียรเร่งทําผิดอันควนก ร, ทำทำระทําทําปัจจุบันให้จ้างอนาคตท่านไม่ได้ต้องสนใจทั้งอดีตทั้งอนาคต ในทางปัจจุบันท่านวางแล้วการที่ท่านกำลังสอนอยู่ให้เราวางบ้างคิดอันควรกระทาของท่านคงจะได้เสร็จสิ้นแล้วท่านนำรงภาตขันท่านก็มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่โรดสถาญาตโยมตามกะละอันควรตามเทศาอันควรจากเหนือจดใต้จากตนออกสู่ตวันตกทั่วประเทศเขตแกรนทั้งต่างแดนใกล้และไกล ที่มนตาของท่านประภมโสรถสงจิตใจคนเราต่างหากที่เมื่อกราบองค์ท่านแล้วด้วยความคา ร, รักเรื่มใส่กฐาอย่างสุดซึ้งแล้วก็ยังไม่ได้พอใจเพียงนั้นยังอาจเอื้อมขอความเมตตามากขึ้นไปอีกขออนุญาตให้ได้นำอดิตของท่านที่ท่านทิ้งร่องรอยไว้ ในความทรงจําของชิตทุกคนนํามารวบรวมเรี่บเรียงเป็นชีวประวัติอ้างเลยว่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนคนไทยรุ่นหลังเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อให้ผู้เคารพรักได้เทูลเพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้ผู้ไข่ในธรรมเรื่งปฏิบัติทำความเพียรแต่ละพัชจะอ้านท่านก็เมตตาแต่ได้ผู้เขียนก็ตื่นเต้นดีใจ ตาประจากกบในกระลาครอบเราเคยกราบท่านเคยเสือนถามท่านท่านก็เมตตาได้ให้ฟังเพิ่มเติมคงเขียนได้คิดดูไม่ยากเลยแต่เมื่อเริ่มเพื่อเพิ่มข้อความเริ่มลงมือเขียนจึงรู้ได้ว่าจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยเป็นการยากที่จะนำอดีตอันยาวนานผ่านมาตลอดเวลากว่า 90ปีนี้มาบันทึกไว้ไม่ได้ทุกบททุกตอนแม้จะให้เลือกเฉพาะที่ควรบันทึกควรสนใจก็เถอะอดีต ท, ที่เดินเนินมาของท่านแต่วัยเด็กที่โลดเต้นไปตามประษาเด็กแต่ก็ความกตันยูรู้คิจทําหน้าที่รู้ที่ดีพิธีดีของครอบครัวรู้คิดเริ่มคํานึงหาทางออกจากทุกจนออกบวชเป็นพระข่าน้อยเป็นสามเณร ผ่านวัยหนุ่มที่บวชเป็นภิกษุแล้วก็คุดงบำเพ็ญความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตให้ทำพยายามห้ามหันฝันกิเลสรู้ใบวิธีนานาทังที่ได้รับแนวทางคำสอนจากครูบาอาจารย์และที่เกิดปัญญาคิดค้นขึ้นมาได้เองผ่านปัดรร้ายในป่าลึกพบช้างพระชนเสือพรรมางโมพิษพญนาตพบสิ่งลึกลับ อันเกินสายตามนุษย์ธรรมดาจะพึงพบพึงเห็นพึงรู้จักผ่านไวกลางที่เปรีประดุดพยาราชสีกำลังทรงพลังอันแข็งแกรง่งเมื่อถึงเวลาก็บรรลอเสียนาดกล้องสยบป่าให้สิรราบลงท่านได้นำความอ ง, งาอาจเด็ดเดียวความรู้ความสงบและดวงปัญญาที่สะสมดาเนินมาเป็นลาดับลาดับออกใช้เป็นดาบเพชร สยกตัดกิเลสอาศวะให้ขาดกระเด็นซีโรราบลงโดยรับขาบสู่วัยปลายที่ท่านดำรงอยู่ด้วยทิฏฐธรรมวิหารธรร ม, รรรมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของหมู่เทวดาและมวลมนุษย์เป็นที่เค า, กการพจักกราบบูชาของปวงชนชาวไทยจิงแทเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะสามารถบันทึกอดีตอัญญาวนาน ที่งดงามน่าเลื่นใสน่าเรียนรู้น่าถือเป็นครูให้ได้เทิดทูนบูชาถือเป็นแบบอย่างให้เป็นกำลังใจได้มุ่งบําเพ็ญตามเหล่านี้บาระเบึกให้เป็นภาพประวัติที่งดงามน่าเลื่นใสน่าเรียนรู้น่าถือเป็นครูให้ได้เทิดทูนบูชาถือเป็นแบบอย่างให้เป็นกําลังใจในมุ่งปฏิบัติบําเพ็ญตามเช่นห่ังความจริงที่ผ่านมา ยังมีอดีตที่ไม่ได้ทราบที่ทราบแล้วแต่ที่ไม่ได้เขียนที่เขียนแล้วแต่คนเขียนไม่มีความสามารถจะถ่ายทอดความจริงได้ประดุษใบไม้อันเขียวขจีจับตาในป่ายากอย่างยิ่งที่จะนำมาจัดองประดับในจากากรเล็กๆเพียงแจ ก, กันเดียวใบไม้มากจนลานตาประการหนึ่งเียบที่สวยตาไม่ได้หมดประการหนึ่งผู้จัด ไม่มีสุดรียาจิตพออีประการหนึ่งชั้นใดแจกการเล็กใบนั้นก็ฉันนั้นหนังสือเล็กเล่นนี้จะเก็บขัดอย่างไรก็ไม่อาจเป็นตัวแทนอดีตอันงดงามของท่านได้จินขอประทานอภัยท่านผู้รู้ทุกท่านไว้ณที่นี้โดยเฉพาะองค์ท่านเจ้าของประวัติเองบันทึกมาเพียงเท่นี้ก็มีน้องๆมาตัดพี่คะในโลกนี้ อย่างมีพระอย่างนี้หรือคะมีจริงหรือคะต้องอธิบายไว้ด้วยว่าการจัดทําหนังสือเล่มนี้นั้นในช่วงหลังของหนังสือกว่าครึ่งเป็นการเขียนผ่อนส่งคือเขียนไปส่งต้นฉบับให้โรงพริมพ์ไปเพื่อให้พิมพ์เป็นเล่มเป็นทันเวลาฉะนั้นเขียนไปก็จะถูกเร่งต้นฉบับเร่งช้าแต่ระยะหลังการเร่งไม่ใช่เร่งเพราะกลัวช้าเพราะผู้พิมพ์ ตัวคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหลายคนอยากอ่านอยากรู้เรื่องซึ่งคนซึ่งปกติไม่มีหน้าที่ตรวจฟูพิสูจน์อักษรขอช่วยตรวจฟูแยกกันพิมพ์แยกกันช่วยฟูเธอเหล่านั้นบอกว่าอ่านแล้วขนลุกน้ำตาคลอบางคนน้ำตาคลอสงสารตอนท่านเป็นเด็กเจ็ดขวบอยากหาเงินช่วยพ่อแม่หากที่งครั่งไปขายจนสองบาทแต่เป็นแผล บางคนสงสารตอนท่านมีชีวิตอยู่ในป่าอดอยากอยากแผลนทนอดทนหิวทนหนาวปากแดดปากฝนมีชีวิตเหมือนตากตัวหนึ่งบางคนจับใจตอนท่านเมตตาสั่งสอนเสือสั่งสอนงูพิษบางคนอัศจรรย์ความรู้ความเห็นที่ลึกลับของท่านบางคนตื่นเต้นตอนเทวดามาสบาทเทวดามาคอรักษาขออนุเคราะห์ บางคนจะรุงกลัวเรื่องภพชาติที่ต้องมาเกิดเวียนว่ายในวัฏฏบุญของชีวิตขณะท่านยังเคยต้องเกิดเป็นสัตว์แล้วเราหลักผมคงไม่กล้าทําบาปฆ่าสตอีกท่านเป็นพระอย่างไรท่านเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับท่านเป็นใช่ไหมครับหนูเอ๋ยไหนเลยจะตอบได้ธรรมของท่านอยู่ในจิตของท่าน ท่านรู้เสมอเพื่อ ท, ทันเทนั้นจะตอบได้เพื่อนสัต์ธรรมนิรผู้เป็นกัลยาณมิตรของท่านอย่างพระคุณเจ้าหลวงปู่อนยานาิริพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวพนาลโยที่บรณภาพแล้วถวายเพลิงและพระสัทานเพิงจบแล้วอธิธาต่ตางปรากฏเป็นประธาพแล้วท่านเหล่านั้นต่างเคยชมจิตของปูเสมอ สะพาะลุกผูกข่าวนั้นถ้าชาวจังหวัดเลยไปกราบท่านมักจะบอกเสมอเขียขค่ารถมาทำไมให้ลำบากบอกเพรอยู่ที่จังหวัดเลยกลับไปกราบท่านอาจารย์ชอบเดอ้อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสามพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธดัตภแก่สัมเอนอาจีรวะตะผู้อคิเวสนโคตรณเวลุวันใกล้กรุงราชคือความว่า ที่สูนั้นรู้ชัดว่าชาติทิศแล้วกรมอาจารจบแล้วจิตควรทมได้ทําเสร็จแล้วจิตอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกที่สูนั้นย่อมเป็นผู้อดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายได้สัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและจัดเจือคขามทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นได้ต่อถ้อยคา กล่าวร้ายกล่าวมาไม่ดีอดทนได้ต่อทุกขเวทนาทางกายอันเกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแตกเพดหมดความสำราญเบิกบานใจปริเชียได้ซึ่งชีวิตพิจุนั้นเป็นผู้มีราคาโภสะโมหะอันกำจัดเสียหมดแล้วมีกิเลสอันยอมใจดุดน้ำฝาดอันตนสำรอกออกเสียได้แล้วเป็นอาหุเนยบุคคล เป็นปาขุนเนยบุคคลเป็นทักษิเนยบุคคลเป็นผู้ควรแก่การอัญชลีกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งไปกว่าหลวงปู่ย่อมรู้ชัดว่าชาติของท่านสิ้นแล้วหรือไม่พรมจรรันจบแล้วหรือไม่กิจควรทมของท่านได้ทาเสร็จแล้วคิดอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกหรือไม่ ท่านได้แสดงให้ประจักษ์ตลอดมาว่าท่านเป็นผู้อดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายและสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เจืเอคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นได้ต่อท้อยคำกล่าวลายกล่าวมาไม่ดีท่านอดทนได้ต่อทุกเวทนาทางกายอันเกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแต่เผ็ดหมดความสําราญเบิกบานใจ เ, เสียได้ซึ่งชีวิตท่านคงเป็นผู้มีราคะโภสะโมหะอันกําจัดเสียสิศแล้วมีกิเลสอันยอมใจถูกน้ำป่าอันตนสําลอกออกเสียได้แล้วท่านคงเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นป่าหุเนยบุคคลเป็นทักิเนยบุคคลเป็นผู้ควรแก่การอันทรีกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญ ปืนใดยิ่งไปกว่าท่านเป็นพระอย่างไรเป็นใช่ไหมหนูเอย๋ยดูเหมือนพระพุทธองค์จะเคยตรัสไว้เป็นสัจจะวาจาว่าดูก่อนอานน์ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทอย่างมีอยู่พระอรหันต์ย่อมมุน่นสูญไปจากโลกหลวงปู่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วสมควรแก่ทําแล้วแค่ไหนเราจะทราบได้อย่างไร นึกถึงที่ครูบาอาจารย์เคยเทศนาสาธกพระพุทธดํารัสของพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ฟังอย่างจำได้เนื่องดูคิดว่าไพรนักทันว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั่นย่อมเป็นปูมสถานน่ารื่นรมแท้ ถึงเราจะคิดว่าที่ทึ่งครูบาอาจารย์อย่างลุงปู่อยู่เป็นภูมิสถานน่ารื่นรมสงบเย็นแต่ก็อย่าเป็นนึกสงสัยคาดคิดพยุ่งไปเลยเราลองนึกถึงความจริงข้อนี้กันดีกว่าความจริงที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆในขณะที่ลุงปู่ยังมีชีวิตอยู่รบรรดาจิตผู้คารวประหลเรื่อมใสเทิดทูนท่านได้กราบขอเส้นเกศาของท่านได้กราบไหว้บูชา เป็นจริตมงคลแก่ตนวะครอบครัวแต่บางคนโชคดีได้เห็นเส้นเกษาของท่านกำลังรวนตัวในสภาพจะกลายเป็นพระธานแล้วหรือบางคนนำรูปปั้นเหมือนของท่านบ้างรูปภาพบ้างนำกระถิบูชาด้วยใจที่เคารพมุ่งมันปรักเทิดทูนอย่างสูงสุดวันดีคืนดีจะมีพระธาตุบ้างเส้นเกษาบ้างปรากฏให้เห็น เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจในโลกนี้ยังมีพระอย่างนี้อีกไหมคะคงมีสินนเอ๋ยแต่อาจจะหายากหน่อยและเมื่อเราโชคดีได้พบแล้วก็ควรถือเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกราบพระอย่างท่านพระผู้ยิ่งด้วยวิสุทธิธรรมพระผู้ควรแก่ส ม, มุินามของพระโดยแท้พระผู้แปลว่าผู้ประเสริฐ ผู้เลิศผู้ปฏิบัติดีแล้วผู้ปฏิบัติตรงแล้วผู้ปฏิบัติชอบแล้วผู้ปฏิบัติเป็นธรรมแล้วผู้ปฏิบัติสมควรแล้วผู้ควรแก่อันชลติกรรมผู้ควรแก่ทักษินาทานผู้เป็นนาบุญเอกแห่งโลกยากจะมีนาบุญใดมาเปรียบได้พระผู้เป็นที่เคารพหลักสักการะและเทิดทูนแห่งมวลมนุษย์พระ ผู้เป็นที่รักแห่งตัวเทพพระเทวานำปิยะเทระผู้เขียนอย่างจำได้ไม่ลืมเมื่อได้นำหนังสือชีวประวัติพระกุณเจ้าหลวงปู่ชอบภานสสโมฉบับพิมพ์ครั้งแรกไปกราบถวายพระกุณเจ้าหลวงพุทเทศเทพรังสีพระชนนิโรธดังสีคำพีรปัญญาวสิเิ์แห่งวัดหินหมากเป้ง ท่านก็อ่านอย่างสนใจเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันและเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเช่นกันที่ได้ผู้เขียนไปท่านให้คาวิจารณ์โดยละเอียดและมากด้วยความเมตตาจนทําให้ผู้เขียนปลดปลัมพึงในใจไม่ได้ว่านี่แหละท่านผู้เป็นปรารถท่านผู้เป็นปรารถแท้ย่อมเป็นดังนี้หลังจากที่พระคุณเจ้าหลวงปู่เทพเทพหลังสีได้อ่านจนจบถึงตอน เทวานำพิจเตระแล้วท่านก็รำพึงกับผู้เขียนว่าเทวดารักท่านชอบมากอันที่จริงแล้วมากกว่าท่านอาจารย์มั่นด้วยซ้ําไปในเรื่องเกี่ยวกับเทวดานี้แล้วบางครั้งท่านอาจารย์มั่นก็ยังขอให้ท่านชอบช่วยจัดการให้เสมอเมื่อผู้เขียนแสดงความสงสัยว่าเอ๋หลวงปู่มั่นท่านเป็นอาจารย์หลวงปู่ชอบนะเจ้าคะเทวดา น, น่าจะรัก แะเกรงใจหลวงปู่มั่นมากกว่าหลวงปู่เทศท่านก็อธิบายความว่าเป็นเรื่องบา ร, รมีของแต่ละองค์ก็เหมือนพระพุทธเจ้ากับพระศิวลีในเรื่องบา ร, รมีทางราบแล้วบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ยนให้พระศิวลีช่วยพระผู้เป็นที่รักแห่งถุยเทพปชิมมการในระยะหลังนี้หลวงปู่ได้อาพาธ เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้งบางครั้งรับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเลยบางครั้งลูกจิตก็นิมนต์ขอร้องให้ท่านมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพด้วยใกล้แพทย์ผู้ชำนาญและสามารถหาเครื่องมือการแพทย์ได้ง่ายกว่าแต่ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่เต็มใจนักด้วยวิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานหรือพระป่านอกจากจะไม่หวนไหว ต่อความตายแล้วท่านพอใจที่จะประเชิญความตายในวัดหรือในป่ามากกว่าในเมืองครั้งสุดท้ายที่ท่านอ า, าพาธด้วยโรคชราท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริราชในพระบรมราชานุเคราะห์อาการขนงลุงปูได้ชุดหนักลงหลวงปู่เจียจุนโดและท่านพระอาจารย์ชันเรียนคุณวโรพิจารณาแล้ว เห็นควรเชิญท่านกลับมาละสังคารที่วัดตามประเพณีนิยมของพระป่าหลายกรรมาฐานได้นำความกราบบังคมทูลขอเรือกทานพระบรมราชานุญาตทรงให้จัดกระบวนรถนำท่านพร้อมคณะแพทย์กลับวัดได้ในตอนสายวันที่แมกราคมพุทธศักราช2538าสาดเป็นพระมหากรุณาธิคุณงงรงก้าวล้นกระหม่หอมหลวงปู่ ได้มรรภาพอย่างสงบเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2538ในระหว่างเดินทางกลับสู่จังหวัดเลยสิรีรวมอายุได้92ปี10เดือน27วันความราบฝาหล อ, องทุตีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระสนันท ان น้ำหลวงสงสบพร้อมด้วยเครื่องกิตติยศประกอบศพ พระสทานหีบทองทึบประกอบศพเป็นกรณีพิเศษและรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ตดวตลอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พนักท่านนายเชานศีลวันองค์มนตรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและของสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าควาจุฬาพรวลายลักษ์อัคระราชกุมารีไปหวังที่นาหีบศพด้วยหลวงปู่กับบัวใต้น้ำสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธศาสนีเรียบบุคคลสีประเภทเทียบได้กับดอกบัวสีเหล่าประเภทแรกทรงเรียกว่าอุกติตันยูให้แก่บุคคล ผู้มีอุปนิสัยสามารถจะตัสรู้ธรรมะวิเศษได้โดยฉับพลันพร้อมกันกับการเวลาที่ท่านผู้ศาสดาแสดงธรรมะสั่งสอนคืออาจตรัสรู้ได้ในเวลาพอท่านยกแต่เพียงหัวข้อธรรมะึ้นแสดงเท่านั้นท่านเปืยอ ด, ด้วยดอกบัวเหล่าที่เกิดแล้วในน้ำจเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โขกขึ้นอยู่เหนือน้าอันน้าไม่ตกแล้วเป็นดอกบัว อันจะมาลในวันนี้ประเทศที่สองส่งเรียกว่าวิประจิตันยูคือบุคคลผู้มีอุปนิสัยไม่ถึงเช่นนั้นแต่จะตระสรูธรรมวิเศษได้ต่อเมื่อท่านแจกข้อความแห่งคำย่อให้พิสดารออกไปประหนึ่งดอกบัวเหล่าที่เกิดขึ้นแล้วในน้ำจะเดินในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอผิวน้าเป็นดอกบัวอันปริ่มน้า ที่จะบานในวันพรุ่งนี้ประเทศที่สามจงเรียกว่าเนยะคือบุคคลที่จะตรัสรู้ธรรมวิเศษได้ต่อเมื่อใช้ความบริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้ามีความเพียรพยายามมั่นถามมั่นทำในใจโดยอุบายที่ชอบคบหาสมาคมกับไกลนามิตรจึงตรัสรู้ธรรมวิเศษได้ประหนึ่งดอกบัวใกล้ติวน้า ที่จะบาลในวันต่อไปเป็นดอกบัวและที่เกิดแล้วในน้ำจเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้แม้ยังจมอยู่ในน้ำแต่ใกล้จะถึงผิวน้ำย่อมมีโอกาสจะบานได้ในโอกาสต่อไปประเภทที่สี่ทรงเรียกว่าปัฏฐประมะได้แก่บุคคลที่แม้จะมีผู้ทรงธรรมกล่าวธรรมบอกธรรมอนุเศษ ให้ฟังเป็นอันมากเช่นไรก็ตามก็ไม่จะสา ม, มารถตัดสรูปหรือเข้าถึงธรรมยุเศษได้เลยก็หนึ่งดอกบัวที่ได้น้ำที่เพิ่งผุดจากเง่าจมอยู่กับเปลือกตมอันรางจะเป็นพักษาแห่งเต่าปลาฉะนั้นเป็นดอกบัวเหล่าที่แม้จะเกิดในน้ำจเจริในน้ำอันน้ำพยุงไว้แต่อินทรีย์ยังอ่อนจมอยู่กับเปลือกตมเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสจะบานได้เลยพวกเรารู้ตัวกันดีว่าเป็นบัวใต้น้าที่ยังไม่โผล่พ้นน้าหรือเปลิมน้ำอังจะบานในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ทั้งไม่ใช่ประเภทในยะอังเป็นบุคคลที่เปรียบเหมือนบัวที่อยู่ใกล้ผิวน้ำซึ่งมีโอกาสบานได้ในวันต่อไปหากได้ใช้ความวิริยะอุสาหะ พยายามอย่างแรงกล้าเราคงไม่ใช่ทั้งนั้นเราคงเป็นบัวใต้น้ำปร ะ, ะประมะประเทศที่พึ่งผู้จัดเงาอยู่ลำาลึกหมดจนอยู่กับโคลนตมที่รังแต่จะเป็นเหยื่อแก่เต่าปลานั่นเองแต่เรายังโชคดีอยู่บ้างที่มีบุญได้มีโอกาสกราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลที่สุดผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นนาบุญเอกของโลกอย่างหลวงปู่ท่านจึงเ็ดแพรกจกระจายเมตตาให้อย่างทุ่มทนไม่มีประมาณแม้ท่านกำลังอาพาธลำบากในการพูดการเปล่งวาจาแต่เมื่อเราติดผู้เป็นบัวใต้น้ำเขาโอกาสกลาบเปลี่ยนถามปัญหาท่านก็จะเมตตาตอบให้โดยดีแม้บางครั้งคำถามเหล่านั้นจะฟังดูเป็นเรื่องยากปากค้อหรือแสนเฉย แะไม่เอาไหนเพียงใดก็ตามให้โอกาสบรรดาบัวอ่อนใต้น้ำเหล่านั้นได้เติบโตมีโอกาสได้หลุดพ้นจากภาวะของการที่ถูกเต่าปลากัดกินเป็นอาหารได้บ้างบรรดาลาบัวใต้น้ำสำานึกไนเมตตาทิคุณการุณาทิคุณของหลวงปู่อย่างหาที่สุดมีได้เป็นพระคุณอย่างสุดจัตพันานาและขอกราบ แคบเท้าของพระกุณ่านไว้ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนภาคคำถามที่บันทึกไว้ต่อไปข้างหน้านี้ย่ไม่มีคำถามจากบรรดาบัวพ้นน้ำหรือแม้แต่บัวปลิมน้ำโดยแน่แท้คงมีแต่จากบรรดาบัวใต้น้ำเท่านั้นดังนั้นท่านพุทธุทั้งหลายโปรดอภัยด้วยหากจะอ่านก็ ข, ขอได้โปรดอ่านด้วยความเมตตา หรือหากลาคาญก็กรุณาทิศผ่านไปเลย